ที่ธสีว น, นประเวทมีห้าสิเจ็ดพระคาถาปฏิปฏิอาคัตฉันเต αι, มนุษย์เสยิสวากุหิงวังกะตะปะพะโตติอุจฉันติมนุษย์าธูเรติ ว่าทันตีติดณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานวิตัชนะแสดงพระธรรมเทศนาในพระเวศสันดรชาดกวันับพระเวสกันที่ตีสืบ อ, อนุสนิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพระบาลี ดังที่ได้ยกเป็นนิเขปบทแต่เบื้องต้นนั้นแล้วว่าเตจตาโรขัตติยาฟางเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ดำเนินตามมัญคาอันจะไปสู่เขาวงกฏนาการครั้งนั้นนั้นได้ประสบพบเห็นบุคคลผู้สัญจรเดินสวนทางมาก็ออกพระวาจาถามว่าทางที่จะไปเขาวงกฏนั้นไปทางไหนเขาวงกฏอยู่ใกล้หรือไกลประการใด คนทั้งหลายครั้นได้เห็นกษัตร์ทั้งสี่พระองค์นั้นแล้วต่างก็พากันสังเวชสลดใจและเต็มไปด้วยความสงสารต่างก็พากันกล่าวว่าเขาวงกดนั้นอยู่ไกลามากอยู่ถึงป่าหินมาพานครั้นกล่าวดังนั้นแล้วต่างก็พากันเดินหลีกไปในเวลา ท, ที่ทรงดำเนินไปตามเส้นทางนั้นพระราชกุมารกุมารีทั้งสอง ได้ทอดเสนตรเหินต้นไม้ที่มีผลต่างๆในสองข้างทางก็พาการอ้อนวบนพระดิดาพระมารดาอยากจะได้ใครมาเสวยในเวลานั้นต้นไม้เหล่านั้นก็น้อมยอดทอดทิงลงมาจนถึงพระหัตถ์แห่งพระเวสสันดรด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลไม้ที่สุกดีประทานแก่สองพระราชกุมารกุมารี เมื่อพระนางมัตสีทอดเนตเห็นอัศจรรย์ดังนี้ก็มีพระโรมชาติชูชันจึงกราบทูสารเสริญไปโดยพลันว่าข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์จริงๆพระเจ้าค่ะก็แลโดยระยะทางแห่งเชตุรนราชธานีไปถึงภูเขาชื่อสวรรณคีรีนั้นมีระยะทางห้ายศหนึ่งยศเท่ากับสิบหกกิโลเมตร จากภูเขาสุวรรคีรีไปถึงแม่น้ำที่ชื่อว่าโกนติมาราเป็นระยะทางห้าโยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราไปถึงภูเขาชื่ออัญชนาคีรีก็มีระยะทางห้าโยชน์จากภูเขาอัญชนาคีรีไปจนถึงบ้านพรามนมีนามว่าตุณนนะวิธานาริทันก็มีระยะทางห้าโยชน์ตั้งแต่บ้านพราหมณตุณนนะวิธานาริทัน ถึงมาตุละนะครก็มีระยะทางสิทโยต์รวมระยะทางตั้งแต่เจตุดรนราชธานีถึงมาตุละนะครนั้นเป็นระยะทางทั้งสิ้นสาสิโยน์ในคราวครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายได้ย่นระยะทางให้แก่กษัตริย์ทั้งสี่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นก็เสด็จมาถึงมาตุลระนะครอันเป็นเมืองของพระเจ้าลุงที่มีชื่อว่าพระเจ้าเจตราชภายในวันเดียว โดยเสด็จไปถึงในเวลาเย็นในการนั้นกรุงเจตรหัสมีการปกครองแบบสามขีธรรมมีเจ้าผู้ครองนคร อ, อยู่หกหมื่นพระองค์พระโพธิสัตว์เรียนสันดอนเมื่อไปถึงก็ไม่ได้เสด็จเข้าไปภายในพระนครแต่ได้เสด็จไปประทับที่สาราใกลประตูพระนครส่วนพระนางมัสยิซึ่งเป็นเอกอัครานารีผู้สมบูรณ์ด้วยวัจริยา ก็ส่งปฏิบัติพระพัตดาโดยเช็ดป่าระ อ, องผู้ดีพระบาทของพระเวสสันดรแล้วก็ส่งนวดป่าพระบาทถวายพอสมควรต่อจากนั้นจึงเสด็จออกไปประทับยืนที่ใกล้ประตูสาราเพื่อที่จะให้ชาวพนักครทราบว่าพระเวสสันดรได้เสด็จมาแล้วในเวลานั้นพวกสตรีและบุรุษที่เดินเข้าออกประตูพนักคได้เลเห็นพระนาง ม, มัตรีก็จาได้ ต่างคนต่างก็เข้าไปกราบไหว้วรรทนาการแล้วถามพระนางมัตตีว่าเหตุดใดพระแม่เจ้าจึงสเสด็จมาแต่ลำพังแต่ครั้นพิจารณาไปก็ได้เห็นกษัตริย์อีกสามพระองค์อยู่ภายในศาลาจึงพากันเข้าไปกราบทูลเจ้าหนาาของตนให้สง่า พ, พระเจ้าเ จ, าเจตราชกษัตริย์ทั้งหกหมื่นพระองค์ก็รีบเสด็จออกไปเฝ้าเมื่อเห็นกษัตริย์ ทั้งตีพระองค์นั้นก็พากันกันแสงสงสารเต็มกำลังจึงกราบทูลถามว่าถ้าแต่สมมติเททพระองค์ยังทรงพระสําราญอยู่หรือพระราชบิดาพระราชมารดาของพระองค์ยังปราสจากโรคภัยอยู่หรือดาวนครสีพีก็ยังคงมีความสุขดีอยู่หรือพระเจ้าค่ะในเล่าขบวนรถของพระองค์ในเล่ามาทรงและ รถส่งของพระองค์หรือว่าพระองค์มีค่าศึกมาย่ายีพระนครหรือประการใดจึงได้เสด็จดําเนินมาจนสิ้นผลทางไกลถึงเพียงนี้พระเจ้าค่ะพระเวสสันดรโพธิสัตว์เมื่อได้สดับดังนั้นจึงตรัสตอบคําปฏิสันฐานของพญาเจตราชทั้งหลายว่าข้าแต่พญาเจตราชทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพระเจ้าสมเด็จพระบิดาพระมารดาและพระปยุรญาตทั้งหลายของข้าพระเจ้านั้น ปราศจากโรคาภาธยังสงสําราญดีอยู่ชาวนครสีทีทั้งหลายก็มีความสุขสบายดีตามธรรมดาแต่ข้าพเจ้ามีเหตุเกิดขึ้นคือชาวพระนครทั้งหลายเขาพากันโกรธข้าพเจ้าว่าบริจาคพยาคุชสารปัจจญานาคอันประเสริฐให้เป็นเป็นทานเขาจึงพากันป้องพระบิดาให้ขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากพระนคร ข้าแต่พระยาเจตราชทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสี่มีความประสงค์ที่จะไปสู่เขาวงกฏถ้าพระองค์ทรงทราบมันคาก็าจงกรุณาชี้บอกผลทางแก่ข้าพเจ้าได้เถิดในลำดับนั้นพยาเจตราชทั้งหลายจึงทรงทูลบ่ายเบี่ยงว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทั้งสี่เสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่นี่ก่อน พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไปสู่กรุงเจตุดรกราบทูลขอโทษกับพระราชบิดาเพื่อจะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยโทษให้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระเวสสันดนจรจึงตรัสห้ามเสียว่าถ้าแต่พยาเจตราชทั้งหลายขอพระองค์อย่าทรงปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นเลยการลงธนกรรมขับไล่ครั้งนี้ นี่ใช่เป็นความพอพระทัยของพระราชดิดาหากแต่ชาวเมืองสีทีเขาเห็นด้วยช่วยกันกราบทูลเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ทั้งหลายจะทรงเสด็จไปก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดพยาเจตราชทั้งหลายจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าถ้าพระองค์มีความประสงค์เช่นนั้นก็ตามแต่พระทัยของพระองค์เถิดแต่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายกรุงเจตราชนี้ให้พระองค์ทรงครอบครองจะได้ทรงสั่งสอนพระศกนิกรในประเทศนี้ขอพระองค์จงทรงสเสด็จประทับณที่นี่เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระเวสสันดรโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเราไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะปกครองสมบัติของกษัตริย์เจตราชทั้งหลายเลยเพราะเหตุว่าชาวสีทีก็คงจะไม่ยินดี ที่จะได้ยินข่าวว่าเราถูกขับไล่มาแล้วแล้วได้ครอบครองราชสมบัติในเมืองนี้อาจจะเกิดความบาดหมางดุนแรงขึ้นจนถึงกับเกิดสงครามกันได้เพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะออกไปสู่เขาวงกฎอย่างเดียวเท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงบอกผลทางให้แก่เราด้วยเถิดพระพิเศสันโดรเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พวกกษัตริย์เจตราชทั้งหลายก็พาการปูนอ้อนวอนโดยเอเนกปริยายเพื่อจะให้ทรงรับราชสมบัติแต่พระองค์ก็ไม่ทรงรับลำดับนั้นพวกกษัตริย์เจตราชก็ทรงจัดการต้อนรับอย่างใหญ่หลวงของให้เสด็จล่วงเข้าไปในพระนครแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยินยอมที่จะเสด็จเข้าไปในพระนครของพวกกษัตริย์เจตราช กษัตริเจตราชึงพากันตกแต่งสารานั้นถวายโดยกั้นพระสูตรแต่งพระแท่นที่บรรทมเสร็จแล้วอัญเชิญเสด็จเข้าไปประทับภายในสาราจัดการล้อมวงทรงพิทักษารักษาอยู่ตลอดราตรีพอรุ่งเช้าก็ทรงสงสนารนแล้วน้อมพระกยาหารมาถวายเมื่อสวยเสร็จแล้วก็พร้อมใจกัน พากันไป ต, ตามทางเพื่อทรงสเสด็จจนถึงแนวป่าสิ้นหนทางสิบห้าโยศแล้วก็กราบทูลถึงหนทางที่จะไปสู่เขาวงกฎว่ามีระยะทางนับแต่นี้ไปอีก1ิดห้าโยศขอเชิญพระองค์สเสด็จเพิดข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะทูลบอดหนทางให้พระองค์สเสด็จไปโดยสะดวกเบื้องหน้านั้นเป็นภูเขาชื่อว่าขันธามาก เป็นที่อยู่ของพวกรูตีผู้บูชาไฟมีจิตใจมั่นคงจากภูเขาคันธมาศขอเชิญพระองค์ทรงบ่ายพระพักสู่ทิศอุดรแล้วเสด็จสัญจรไปยังภูเขานั้นต่อจากนั้นไปจักได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาเวปุละบันพศอันปรากฏด้วยพึกษาชาติมีพันแปลกประหลาดล้วนแล้วแต่มีร่มเงาเย็นเป็นที่สบายตัจากนั้นไป ก็จะได้ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำชื่อว่าเกตุมมวดีที่มีกระแสน้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีหมู่มัตฉาชาติอยู่หลายจําพวกมีท่าน้ําอันรา บ, บรื่นเป็นที่ชื่นชูใจมีน้ําไม่ได้ขาดสายไหลมาอยู่เป็นนิดพระองค์จะได้สวยน้ําในแม่น้ํานั้นพร้อมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและอัครมเหสี ผัดจากนั้นไปจากท่อประเนตรเห็นต้นไทรมีลูกอันหวานช่ำดูเป็นที่สำราญตาซึ่งเกิดอยู่ใกล้กับภูเขาอันหน้ารื่นรมผัดจากทันไปจะได้ท่อประเนตรเห็นภูเขาชื่อนาริกะบรรพศซึ่งเป็นภูเขาศีลาปลาดเกลื่อนไปด้วยหมู่นกชนิดต่างๆและเป็นที่สโมสรอยู่แห่งหมู่กินนอนกินนรี และทางทิศอีสานแห่งบรรพจน์นั้นมีสะยูสะหนึ่งชื่อว่าสะมุจจรินสะมุจรินนั้นปกคลุมไปด้วยปุนทริกดอกบัวขาวอันมีกลิ่นหอมหวนหลังจากนั้นพระองค์ก็จ ะ, สะเสด็จถึงป่าภัยสนอันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าแพรกเขียวชอุ่มเป็นดุดด่งมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่เป็นนิดเชื่อมชิดด้วยรุกขชาตอันมีดอกและผล เกลืนกลนด้วยหมู่วิหกมีเสียงไเร่รมเครียงต่างส่งสำเนียงอยู่กึกก้องกัอนเรนอยู่ในไพรลัรงตะเด็ดถึงต้อคีรีทางกันดานอันเป็นแดนเกิดแห่งหมู่นาทีพระองค์ก็จะทอดพระเนตรเห็นสะโบกคารณีอันดาระดาษะด้วยสรดน้ำและกุมบกมีทั้งหมู่มัตฉาชาติหลากหลาย มีท่าลงอาบน้ำแสนสบายเป็นสะตีเรียมจัตุรัสสม่ำเสมอกันมีน้ำเต็มเปลี่ยมอยู่มิได้ขาดน้ำก็จืดดีไม่มีกลิ่นเหม็นพอพระองค์ทรงสร้างบรรณสาราทางพิอีสานแห่งตะโบครณีนั้นแล้วประทับบำเพ็ญเพียรแสวงหาศีราธที่คุณเลี้ยงทระชนชีพอยู่ด้วยมูลพลาหารเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อกษัตริย์เจตราชั้งหลาย ทูนบรรยายทางสิบห้าโยตถวายแก่พระเวสสันดรผู้มุ่งประโยชน์ในการบำเพ็ญโพธิสมภา ร, รด้วยประการอย่างนี้แล้วก็ส่งส่งให้หน่อประทีศแก้วเสด็จไปลำดับนั้นกษัตริย์เจตราชทั้งหลายจึงดำริว่าอย่าให้หมู่ข้าตึกปัจจามิตรไปคิดทำ ร, ร้ายพระเวสสันดรได้เลยจึงทรงศึกษากันแล้วจัดตั้งให้พ ร, รานเจตบุตรผู้หนึ่ง ซึ่งฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้รักษาแนวป่าว่าเจ้าจงคอยระวังตรวจตราหมู่คนที่สัญจรไปมาจงอย่าให้มีพยันตรายแก่พระเวสสันดรได้ครั้นทรงจัดการดังนี้แล้วก็พร้อมการเสด็จกลับสู่พระนครกรุงเจตรา่ายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทสงทานหนเนื้อสสตาตัดทั้งสามพระองค์เสด็จลงเข้าสู่ภูเขาคันธมา แล้วประทับอยู่ในวันนั้นต่อจากนั้นไปก็ทรงบาดประพักไปตู่ทางพิษอุดรเสด็จบทจรตายจนถึงภูเขาเวปุระบันพุแล้วประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมวดีตวอยเนื้ออันมีรสอร่อยที่พรานป่าผู้หนึ่งถวายแล้วพระราชทานติ่นทองคําแก่พรานผู้นั้นครั้นแล้วจึงทรงเสด็จสงขนาน ที่แม่น้ำนั้นเป็นที่สําราญพระราชชหุรุไทยเสร็จแล้วเสด็จขึ้นประทับที่โคนต้นไทรอันอยู่ใกล้ภูเขาซึ่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมตบวยฝนใสแล้วเสด็จไปถึงนาริกะบรรพศอันเป็นภูเขาศิลาจากนั้นก็เสด็จไปถึงสะมุตเจดินสเสด็จเลียบไปตามริมฝั่งจนถึงสะโบกขรนีซึ่งเป็นสะตีเรียม อันเปลี่ยมไปด้วยน้ําอันเย็นใสจึงประทับอยู่ในสถานที่นั้นในขณะนั้นนั่นเองบรรดุกรรมพลอันเป็นที่ประทับนั่งของเท้าสักกะเทวราชก็สำแดงอาการร้อนร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงพิ จ, จรารณาก็ทราบเหตุการณ์นั้นจึงทรงดําริว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่หิมว a w a จักรประเทศพระองค์ควรจะได้ซึ่งที่ประทับอันเหมาะสม เจงตรับเรียกพระวิษณุกรรมเทพบุตรมาแล้วรับสั่งว่าเธอจงไปเนรมิตรอาสมในรมนียสถานถวายแก่นอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวื้งเขาวงกฎในบัดนี้ตายพระวิษณุกรรมเทพบุตรทูลรับเทวบัญชาแล้วก็มาจากเทวโลกเนรมิตรบรรณาราขึ้นสองหลัง พร้อมด้วยที่เดินจงกรมสองแห่งกับทั้งที่พักกลางวันและกลางคืนไว้ในสถานที่นั้นแล้วเสกสานต้นไม้อันมีดอกและผลในที่สุดแห่งที่เดินจงกรมเนรมิตรบริขารของบรรพชิตให้ครบถ้วนจาลึกอักษรไว้ว่าผู้ใดปรารถนาจะ บ, บรรพชาผู้นั้นจงถือเอาบริคารเหล่านี้เถิดรันเนรมิตรสิ่งของทั้งปวงแล้ว จึงกันจัดพวกเราอมนุษย์และตักร้ายให้หนีไปจากสถานที่นั้นแล้วจึงกลับไปยังทิพยวิมานของตนป่ายพระเวสสันดรเมื่อทอดพระเนตรเห็นเส้นทางที่แคบสามารถเดินไปได้เพียงคนเดียวจึงทรงกำหนดว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของพวกบรรปะชิตจึงตรัสสั่งให้มิ่งนิดภพมัตตีพาสองกุมารกุมารี ทรงยับยั้งอยู่ณสถานที่นั้นก่อนส่วนพระองค์ได้เสด็จบทจรไปในไม่ช้าก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบรรณสาราทรงอ่านพระอักษรที่จารึกไว้แล้วก็ทรงทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเท้าโกสีประทานให้จึงทรงพระดำริว่าชอรอยเท้าโกสีจะได้ทอดพระเนตรเห็นเรามาถึงสถานที่นี้แล้วเป็นแน่นอน รันพระดำริแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในบรรณาลาทรงกดเรื่องพระขันและธนูสร อ, ออกแล้วจึงทรงเปลื้องพระภูษาทรงถัดผ้านุ่งห่มเปลี่ยนเป็นนุ่งห่มผ้าคากรองแทนทรงสะพัดหนังเสือเหลืองขมวดมุ่งพระเมรีเป็นชดาทรงบรรพชาเพศเป็นฤาษีมีพระกรถือไม้เท้า เสด็จออกจากบรรณกาเมื่อจะทรงยังสิริคือความมุดงามความเป็นมงคลแห่งการบรรพชาให้สมบูรณ์จึงทรงเปล่งพระอุทานว่า ส, นมมาสุขจริงหนอกรมมาสุกิงหนอเราได้สําเร็จการบรรพชาแล้วหนอเมื่อทรงเปล่งพระอุทานอย่างนี้แล้วจึงสเสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมทรงดําเนินไปพอสมควรแล้ว จึงเสด็จไปสู่สำนักแห่งพระชายาและพระราชะโอรสธิดาด้วยอาการอันสงิมงามเปรียบประหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อพนางมาัตเีเทอพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้จึงทรงหมอบลงแท้พระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นการถวายบังคมพรางทรงพระกันแสงแล้วพนางพร้อมด้วยพระเวสสันดรเจ้า ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่อาสมบนบนนารรณสศาลาแยกมันคาไปประทับที่พระบนนารรณศาลาของพานางทรงผัดพระปูศาแล้วทรงผ้าเปือกไม้คากรองแทนพาดังเสือบนพระอังสาเกร้ามุนภาชดาถือเทศเป็นดาบทินีทายหลังให้พระโอรสพระธิดาเป็นดาบทกุมารดาบทินีกุมารี นับแต่นั้นมากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงสำราญอยู่ที่เวิงเขาวงกฎพระนางมัตรีได้กราบทูลขอประพรต่อพระเวสสันดรว่าข้าแต่ส ม, มุติเทศต่อแต่วันนี้ไปขอให้พระองค์อย่าได้เสด็จไปเที่ยวแสวงหามูลพราหารในตาขอได้โปรดเลี้ยงพระราชโอรสธิดาอยู่ในอาสมบนสารานี้เถิด สมมติฉันจะรับหน้าที่ไปเที่ยวสแสวงหาผลไม้น้อยใหญ่มาถวายพระเวสสันดรก็ประธานพรอันนี้ให้แก่พระนางเจ้าจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาพระนางก็นำพ ร, ราผลมาแต่ป่าบำรุงปฏิบัติพระราชสวามีและพระราชโอรสพระราชธิดาฝ่ายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เองก็ทรงขอพรกับพระนางมัตรีว่า แน่พระนางมัตสีผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ไปเราทั้งสองชื่อว่าเป็นบรรพชิตแล้วขึ้นชื่อว่าสตรีย่องเป็นมุนทินอันไม่ผ่องแพ้วแก่การประพฤกษรลมจันต่อแต่นี้ไปขอเธออย่าได้มาสู่สำนักของฉันในเวลาอันไม่สมควรพระนางก็ทรงรับว่าสาธุดีแล้วพระเจ้าค่ะ และด้วยอนุภาพเมตตาภาวนาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าเหล่าสัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกอันอยู่ในสถานที่มีประมาณสามโยตโดยรอบก็เกิดประกอบด้วยเมตตาจิตรักใคร่ในกันและกันไม่เบียเดเบียนกันเหมือนแต่การก่อนมาพอถึงเวลาเช้าพระนางเจ้าก็เสด็จลุกขึ้นจัดน้ำดื่มน้ำใช้แล้วนำน้ำบ้วนพระโอษฐ์น้าสงพระพัก ไม้ชำระพระทนมาถวายแก่พระเวสสันดรราชฤาษีแล้วก็สงกวาดอาสมบทต่อจากนั้นให้พระราชโอรสพระธิดาทั้งสองอยู่ในสำนักพระชนกแล้วทรงถือกระเช้าเตียมโผเสด็จเข้าไปสู่ป่าหามูลพราราผลในป่าให้เต็นกระเช้าแล้วเสด็จกลับจากป่าในเวลาเย็น เก็บงาพราผลไว้ในบรรณาศาลาแล้วสงน้ำและให้พระราชโอรสพระธิดาของน้ำกำดับนั้นตรงเฉยชมพระชาดีกันหาด้วยความสุขตเต๋นเปลนดีแล้วกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็นั่งประทับสเสวยมูลพราหารที่ประตูอาสมบททั้งเจ็จจานเาสเวยแล้วพระนางมัตตีก็พาพระลูกแก้วทั้งสองถวายบังคมลา กลับเข้าไปประทับที่บรรณาสาราของพระนางพษสัตย์ทั้งสี่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในบริเวณเบื้องเขาวงกฎด้วยความสำราญปราศ จ, จากอันตรายมาเพลพ่นนับการเวลาได้เจ็ดเดือนโดยทานองนี้แลโดยประการลัชนี้อาตมภาพรับประทานวิสัชนาแสดงพระสัพธรร ม, มเทศนา ในเวสันดรชาดกกันที่สี่วันนับเวทพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เจิญรับฟังกันที่ห้าชูชกสืบต่อไป